เรื่องพระฉับ พ, พัก ค, คีใช้มือที่ทําด้วยไม้หอมถูกายส่งน้ําเป็นต้นสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พัก ค, คีใช้มือที่ทําด้วยไม้หอมถูกายส่งน้ําคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพลทนาว่าเชไหน พวกพระสมณะเชื้อสายสากยะบุตรจึงใช้มือที่ทำด้วยไม้หอมถูกายสงน้ำเหมือนคฤหัตผู้บริโภคการเล่าบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังฝ่การศึกษาจึงตำหนิประนามโพรทนาว่าชะไหนพวกภิกษุฉับพัคคี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 สมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักขีส่งน้ําโดยใช้เชือกชุบจุรณศิลาสีเหมือนพลอยแดงคนทั้งหลายจึงตําหนิประนามโคนทนาว่าชไหนพวกภิกษุฉับ พ, พักคีจึงส่งน้ําโดยใช้เชือกชุบจุรณศิลาสีเหมือนพลอยแดงเหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่า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 พวกภิกษุฉับพักคีต่างทาบริกรรมให้แก่กันและกันคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโผนทนาว่าชะไหนพวกภิกษุฉับพักคีต่างทำบริกรรมให้แก่กันและกันเหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงทำบริกรรมให้แก่กันและกันรูปใดธรรมต้องอาบัดทุกกฎสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พัก ค, คีใช้ไม้บางเวียนจักเป็นฟันมังกรถูกายส่งน้ำคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพนธนาว่า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 รูปใดถูต้องอาบัตทุกกฏ